ซีดีแผ่นที่เจดของหลวงพ่อที่จะออกไปสู่ชุมชนสังคมหลวงพ่อเองก็ได้พิจารณาหรือได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าคงจะไม่กระทบต่อชุมชนและสังคมคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะซีดีของหลวงพ่อที่ออกไปโดยมากจะ เน้นไปทางให้ผู้ได้ยินได้ฟังพิจารณาทุกด้านทั้งด้านจิตใจทั้งด้านรูปธรรมรูปธรรมก็คือทางการเป็นอยู่ของการอยู่ร่วมกันนามธรรมก็คือแนวความคิดเพราะนั้นซีดีของหลวงพ่อแผ่นนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าคติธรรมสอนหลักจิต คติชีวิตสอนหลักกลัมคือคติธรรมสอนหลั ก, กจิตธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักสอนหลั ก, กจิตใจคือเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจคติชีวิตสอนหลักกลัมกลัมคือการกระทําถ้าหาว่าหัวหน้าดีแล้วจะพูดจะทําก็ไปในทางที่ดีเพราะนั้น ซีดีของหลวงพ่อแผ่นนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านเมื่อได้รับไปแล้วก็ตั้งใจฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความใส่ใจฟังด้วยความสนใจถาาว่าฟังแต่สักว่าฟังไม่ได้สนใจฟังเหมือนหมอร้องหมอรำไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าที่ควรเทปซีดีของหลวงพ่อก็อย่างที่ได้กล่าวมาลหลายแผ่นที่ผนผ่านมาเพราะนั้นซีดี ชุดนี้ก็ให้พวกเราทุกๆท่านเมื่อได้รับไปแล้วก็ตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังหรือว่าไม่ต้องการจะฟังก็มอบให้คนอื่นเป็นคนฟังไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นผู้เทศได้รับซีดีของหลวงพ่อไปแล้วขอให้ตั้งใจฟังเพราะว่าการพูดของหลวงพ่อเนี่ยเคยย้ำไว้ทุกกันว่าหลวงพ่อพูดช้า ถ้าว่าพวกเราไม่ตั้งใจฟังการฟังก็ไม่จูงใจจากนั้นจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เสียไปล่ำเวลาในการฟังถ้าว่าผู้ใดก็ตามก่อนที่จะหลับจะนอนนั่งสมาธิฟังหรือว่าฟังด้วยความสนใจหรือว่าขับรถขับราไม่คุยกันแล้วก็ฟังหลวงพ่อว่าซีดีของหลวงพ่อทุกแผ่นจะเกิดประโยชน์สาหรับผู้ไดยินได้ฟัง ไม่มากก่อ น, น้อยวันนั้นเมื่อพวกเราทุกพกท่านได้รับไปแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญเมื่อได้ยินธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมขอจบในการกล่าวทามะในีดีแผ่นที่เเพียงเท่านี้